เดี๋ยวมาขึ้นพุสวาจาภาวะปัญหาว่าอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับพระพุทธคุณนีกนั่นแหละคือพระจารณะนะจรณะว่าพระพุทธเจ้ายังพูดคําหยาบอยู่อีกหรื อ, อพุสวาราภาวะก็คือภาวะที่ใช้คําหยาบนั่นเองพระเจ้ามิลินถามพระนาคเษนต่อไปว่าพระคุณเจ้าพระธรรมเสนาปฎีสารีบุตรได้พาเสศษความข้อนี้ไว้ไหนทีคณิกายปาติกวักว่า บริสุทธ่าวจีสมาจาโรโออาวุโสตถาคโตนัตถิตถาคตัตคตสสวจีทุจริตังยังตถาคต ร, รักคยะมาเมอิดังปรโรอัญญาสิกแปลว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระตถาคตทรงเป็นผู้มีพระวจีสมาจารบริสุทธิว์วจีทุจริตที่พระตถาคตต้องรักษาคือต้องปิดบังเอาไว้ว่าขอคนอื่นอย่าได้รู้ถึงทุจริต ของเรานี้ดังนี้ย่อมไม่มีแก่พระตถ า, าคตคือพระพุทธเจ้าเนี่ยน ะ, ะเนื่องจากพระองค์มไม่มีไม่มีคำพูดที่ชั่วเลยเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ต้องคอยปกปิดว่าพระองค์เคยพูดพลาดเคยพูดผิดและขณะเดียวกันพระองค์ก็ไม่ต้องคอยพึ่งสาวกว่าเธอช่วยช่วยดูแลหน่อยนะว่าไอ้คาไหนที่ฉันพูดผิดไปเนี่ยช่วยชวยกันปกปักรักษาหน่อยก็แล้วกันช่วยช่วยกันปกปิดหน่อยนะไม่มีเพราะาพระองค์เป็นผู้ที่มี วจีสมาจารย์บริสุทธิ์ว่าว่าจะคําพูดของพระองค์นี่บริสุทธิ์ที่แท้จริงคําว่าบริสุทธิ์เนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าคําพูดที่พระองค์ตรัสไม่มีคําเท็จอยู่ในนั้นเลยไม่มีเท็จเลยไม่มีคําพูดส่อเสียดให้คนแตกราว์ร้าวกันเลยไม่มีคําพูดที่เป็นคําหยาบเลยและก็คําพูดนั้นไม่ใช่เพอร์เชอเป็นคําพูดที่มีอัตตสาระเสมอ อ, นนอันนี้ก็เป็นคําที่ภาษาเรียบชื่นชมยกย่องสรรเสริญว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีคําพูดที่บริสุทธิ์แท้จริงไม่มีวิจิทุจริตเลยและพระองค์ก็ไม่ต้องคอยปิดบังกลบเกลื่อนหรือให้คนอื่นมาคอยช่วยปิดบังกลบเกลื่อนในการใช้วาจาของพระองค์แต่แต่ยังมีแต่กักสิแต่ก็ยังมีกล่าวไว้อีกว่าพระตถาคตผู้จะทรงบัญญัติสิกขาบทปาราชิกสิกขาบทที่หนึ่งว่า นักศึกษาบทที่หนึ่งในเพราะความผิดของพระสุทินกัลันทบุตรเทระพระองค์ก็มีพุทธสวาจดิพระองค์เปล่งคําว่าโมฆะบุรุษบุรุษว่างเปล่าโมฆะไม่มีอะไรเนี่ยนะโมฆะแปล ว, ว่ากลวงระบุรุษกลวงกลวงไม่มีอะไรเลยอย่างนั้นด้วยคําว่าโมฆะบุรุษนั่นแหละคํานั้นนะเป็นเหตุให้พระเทระนั้นร้องให้เดือดร้อนด้วยอํานาจความละอายจิตไม่อาจแทงตลอดอริยมรดได้ พระคุณเจ้านาเกษณ์ถ้าหากว่าพระตถาคตทรงเป็นผู้มีพระวจีสมาจารบริสุทธิ์วจีทูจริตไม่มีแก่พระตถาคตจริงใส่ถ้าอย่างนั้นคําที่ว่าทรงเปล่งพระวาจาคําว่าโมฆะบุรุษในเพราะความผิดพลาดของพระสุทินกลันธบุตรเทระดังนี้ก็ต้องเป็นคําพูดที่ผิดถ้าหากว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งวาจาคําว่าโมฆะบุรุษ ในเพราะความผิดพลาดของพระสุทินกัลันฑบุตรเทระนั้นจริงใส่ถ้าอย่างนั้นคําว่าพระตถ า, าคตทรงเป็นผู้มีวจีสมาจารบริสุทธิว์วจีทุจริตย่อมไม่มีแก่พระตถ า, าคตดังนี้ก็ต้องย่อมเป็นคําพู้ที่ผิดปัญหาแม้นี้ก็มีสองเงื่อนตกถึงแก่ท่านแล้วขอท่านจงคลี่คลายปัญหานั้นด้วยเถิด ก็คณาคิดนเออตอนแรกบอกพระ อ, องค์นี้มีวาจาเนี่ยทุกอย่างบริสุทธิ์หมดไม่มีคําพูดที่เป็นทุจริตเลยแล้วก็ไม่ต้องมาคอยรักษากันว่าเออเนี่ยเคยพูดทุจริตเอาไว้เนี่ยแล้วก็มาช่วยๆกันปกปักรักษาก็ไม่ต้องขณะเดียวกันบอกว่าเนี่ยพระ อ, องค์เรียกพระสุทินว่าที่ไปทําความผิดโมคฆบุรุษจนร้องให้อดมรูมมรรคผลเลยแบบนั้นถ้าพระพุทธเจ้าไม่ตรัสว่าโมคฆบุรุษเป็นต้นเนี่ยท่านจะร้องให้หรือเนี่ยคำเนี่ยถือว่าเป็นคำหยาบนะผู้ซะเขาร้องให้เลยอะ่ะ พระนาคเษงก็ต่อว่าขอถวายพระพรมหาวาพิธท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรได้พาสิทธความข้อนี้ไว้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระตถาคตทรงเป็นผู้มีวจีสมาจา ร, ริสุทิ์วจีทูจริตที่พระตถาคตต้องรักษาเอาไว้ว่าขอผู้อื่นอย่าได้รู้ถึงทุจริตข้อนี้ของเราดังนี้ย่อมไม่มีแก่พระตถาคตนี้จริงอันนนมีอยู่ที่ไหน ในสังคีติสูตรเนี่ยนันี้มีอยู่จริงว่ า, าคำเนี่ยภาษาริบุตรกล่าวไว้ในสังคีติสูตรจริงและคํากล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้จะทรงบรรัญญัติสิกขาบทข้อปรราชิกในเพราะความผิดของพระสุธินกลันธบุตรได้ทรงแปล่งวาจาคําว่าโมฆะบุรุษดังนี้จริงโปร่งตรัสว่าดูก่อนโมฆะบุรุษการกระทําของเธอไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทํานะนะ ฉไ น, นเธอจึงไปอะไรก็ว่าไปนั่นแหละแต่ว่าข้อนั้นพระองค์แป่งวาจาด้วยพระจิตที่ไม่ประทุสร้ายไม่ได้พูดด้วยโทสะนะคำหยาบนี้ต้องมีอะไรเป็นสมุทฐานมีโทสะมูลจิตเป็นสมุทฐานคําพูดนั้นจึงจะเป็นคําหยาบนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้คำหยาบเพราะหาความแข็งดีไม่ได้ไม่ได้พูดจะแข็งดีไม่ได้พูดจะโอ้อวดอะไรหรอกเพราะพระองค์ตรัส ด, ด้วย พลัลสันะตามที่เป็นจริงเรียกว่าพูดตามสภาวะที่เป็นจริงก็ลักษณะตามที่เป็นจริงในเรื่องนั้นคืออะไรเล่าขอถวายพระพรบุคคลใดหาการตรัสรู้สัจจะสี่ในอัตภาพนี้ไม่ได้ความเป็นของบุรุษบุคคล น, นั้นก็เป็นโมคะคือเกิดมาอีกอย่างหนึ่งจากอีกอย่างหนึ่งจะเป็นอีกอย่างหนึ่งจากอีกอย่างหนึ่งเนี่ย เพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่าโมฆะบุรุษคือไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้ในชาตินั้นอย่างกรณีพระสุทินเนี่ยพระสุทินเนี่ยพระองค์เรียกว่าโมฆะบุรุษเนี่ยเพราะชาตินี้อย่างไงพระสุทินกัลันธบุตรก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานขอถวายพระพรก็พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งพระวาจาที่เป็นจริงต่อสุทินกัลันธบุตรไม่ใช่เปล่งวาจาที่ไม่เป็นจริงผู้จริงนะว่าไ ง, งมีเรื่องนะ้าในอัตกอตกถาอธิบายเพิ่มเติ ม, ตมว่า พระองค์ตรัสเรียกพระสุทินว่าโมคฆบุรุษว่าบุรุษผู้เหลวแล้วก็เปล่าเนี่ยนะว่างเปล่ากลวงไม่มีอะไรภายในเหมือนต้นไม้ไม่มีแก่นฉะนั้นอธิบายว่าบุรุษผู้ไม่อาจทําทประโยชน์อะไรอะไรให้สําเร็จโดยเฉพาะประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานที่จริงพระสุทินเนี่ยจริงๆแล้วท่านมีอุปนิสัยพอจะบรรลุมรรคผลได้แต่เพราะคบป่าประมิตรเลยไม่ได้บรรลุมรรคผล พระสุธินนั้นเดิมทีแล้วเนี่ยท่านเป็นบุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากเป็นบุตรคนเดียวในตระกูลด้วยมีร่ํารวยมากเนยนะท่านก็เข้าไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเมื่อฟังธรรมแล้วก็มีศรัทธาเลื่อมใสอยากจะบวชสมัยนั้นเนี่ยพระองค์บัญญัติไว้ว่ากุลบวชผู้มารดาบิดาไม่อนุญาตไม่อาจบวชได้นะก็เลยกลับไปขอพ่อขอแม่ออกบวชพ่อแม่ก็ไม่อนุญาตอดข้าวประท้วงเจ็ดวันว่าเพื่อน ม, นมาช่วยขอร้องอะไรในที่สุดก็ไม่เป็นผล ทีนี้เพื่อนก็แ น, นะพ่อแม่ว่าถ้าหากว่าปล่อยให้เขาอดข้าวก็อดตายจริงๆแต่ถ้าบวชนะวันหลังก็ยังพอได้เห็นหน้าลูกบ้างอนุญาตให้เขาบวชไปเถอะพ่อแม่ก็เลยอนุญาตให้บวชแต่ก็มีเงื่อนไขว่าบวชแล้วก็กลับมาเยี่ยมครอบครัวบ้า ง, างนะกลับมาเยี่ยมตระกูลบ้างพระสุทินก็เลยออกบวชก็เลยได้บวชพอบวชก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติเคร่งครัดมากรักษาธุดงด้วยเนี่ยนะรักษาธุดงปฏิบัติขัดเกล้าอย่างเคร่งครัดมาก ทีนี้ในช่วงนะท่านก็บวชแปีผ่านไปเนี่ยนะบวชได้8พันษาปฏิบัติเคร่งครัดก็ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลมีอยู่ครั้งหนึ่งเกิดข้าวยากหมากแพงอาหารเนี่ยอดอยากมากเลยนะีโดยเฉพาะในเมืองภยัยาลีเนี่ยอาหารอดอยากทีนี้ท่านก็เห็นความลําบากของพระพิสุสงฆ์ทั้งหลายว่าพระพิสุนี้อดอาหารเหลือกเกินเนี่ยอาหารหายากมากเพราะสมัยนั้นเนี่ยเมืองภยัยาลีเนี่ยอดอยาก ก็เลยเขาก็คิดว่าตระกูลของเรานี่ก็เป็นตระกูลเศรษฐีถ้าหากว่าเรากลับไปอยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยนะพ่อแม่ญาติญาติทั้งหลายก็จะได้ทําบุญพระพิสุสง์ก็จะได้ไม่ขาดแคลนตัดใจสี่ขณะเดียวกันญาติทั้งหลายก็จะได้มีโอกาสทําบุญให้ทานได้บ้างก็เลยคิดจะสงเคราะห์ทั้งพระพิสุด้วยทั้งญาติด้วยก็เลยกลับเวียนๆใกล้มาในเมืองภัยสาลีท่านก็ไปพักอยู่ที่ป่ามหาวันทีนี้ ท่านก็ไปบิณธบาตินะวันหนึ่งท่านก็ไปบินธบัต ท, ที่บ้านพ่อของท่านก็บ่นใหญ่เลยนะเพราะจําหน้าเข้าหน้าลูกไม่ได้ก็บน่นในที่สุดก็วันหนึ่งก็นิมนต์ให้ท่านไปฉันที่บ้านท่านก็ไปพอไปแล้วแม่ก็ขอร้องให้ให้ลูกเนี่ยศึกก็ขอร้องครั้งที่หนึ่งกองเงินกองทองให้ดูด้วยซ้ําไปเนะี่ยท่านบอกไม่ต้องการนะไม่ต้องการก็อยากจะบวชประพฤติพรหมจรรย์อย่างเงี้ยตลอดชีวิต พ่อแม่ก็ขอร้องแล้วเล่ายังไงก็ไม่ผลผลในที่สุดเนี่ยนะความคิดของแม่ก็เกิดขึ้นว่าถ้าลูกไม่ศึกก็ไม่เป็นไรเอางี้ก็แล้วกันกให้พืชพันธุ์ไม่หน่อยก็แล้วกันเพราะว่าสมบัติที่ไม่มีผู้รับทอดมรดกเดี๋ยวเจ้าวัดชีจะยึดเอาไปหมด น, นะนะกลัวว่าเดี๋ยวก็ตกถึงกษระสาบไปหมดเลยเขาจะยึดเอาไปหมดเพราะไม่มีผู้รับสืบทอดมรดก ก็ให้พืชพันุไว้หน่อยเออถ้าแค่นี้ทําได้เพราะสมัยนั้นยังไม่มีปฐมปราชิกยังไม่มีอบับดับปราชิกเนี่ยนะช่วง20ปีแรกไม่มีสิกขาบทปราชิกมีแต่สิกขาบทเล็ก ๆ, ๆน้อยๆข้างล่างนะท่านก็คิดว่าเออมันคงไม่มีอะไรมัง้งถ้าหากว่าตัวเองให้ลูกไปแล้วเนี่ยแม่ก็เลิกมายุ่งกับเราสักทีหนึ่งก็ในที่สุดก็บอกว่าตอนนี้ลูกอยู่ที่ไหนก็บอกว่าพักที่ป่ามหาวันตอนหลังปริยามีฤดูก็แม่ก็เลยชวนไปก็ไปขอร้องให้ศึกอีก นี่ท่านก็ไม่ยอมศึกพอไม่ยอมศึกก็เลยขออีกว่าให้พืชพันธุ์หน่อยก็แล้วกันแล้วก็ก็ได้ไปเสพเมทุนธรรมนี่นะพอเสพเมถุนธรรมแล้วก็ในที่สุดก็ได้ลูกก็ได้ลูกก็เลยเรียกจาเจ้าชื่อพีชกะเนี่นะชื่อว่าเจ้าพืชน่ะนะพ่อแม่ก็เรียกว่าแม่เจ้าพืชน่ะนะพีชกะมาตาแม่เจ้าพืชพระสุท yes ิน <Chase> ก็เลยมีชื่อว่าพ่อเจ้าพืชเหมือนกันเสร็จแล้วเพราะว่าแม่ได้ขอพืชพันเอาไว้ก็เลยชื่อว่าพีชกะเหมือนั้นทีนี้ พระสุทินเนี่ยหลังจากเสพเมถุนธรรมแล้วก็มีลูกเนี่ยนะท่านเครียดมากตลอดเลยเสียอกเสียใจว่าเราเนี่ยเราบวชมาเนี่ยไม่น่าเลยไม่น่าอย่างนี้เลยเสียใจมากเสียใจชั้นอาหารก็ไม่ค่อยได้เป็นโรคผอมเหลืองผอมเหลืองสะพรังด้วยเส้นเอ็นอนะ น, น ทนี้พระพิสุเพื่อนเพื่อนการในเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยท่านมีผิวพรรณผ่องใสหน้าเรือมใสเหลือเกินทําไมบัดนี้ผิวพรรณของท่านเนี่ยพรมเหลืองท่านเป็นโรคอะไรหรือท่านไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ยินดีอยู่แต่บาปประกรรมของผมมีอยู่ก็เล่าให้เพื่อนพระฟัง เพืนพระก็ต่อว่าใหญ่เลยฉะนั้นท่านไม่สามารถจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ดุดสังที่ขัดตลอดชีวิตได้เล่าในธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วขนาดนี้แต่ก็ก็ได้ทำอย่างนั้นก็จับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็แสดงว่าดูก่อนโมคะบุรุษการกระทำของเธอไม่เหมาะไม่สมเนี่ยนะฉะนั้นเธอจึงได้ทาอย่างนี้เล่าก็ตําหนิโดยปริยายต่างๆว่า เช่นเอาองค์ชาติไปใส่ในลุมทานเพลิงยังจะดีกว่าใส่ในปากอสรพิษดีกว่าเป็นต้นน่ยนะก็ตําหนิดโดยปริยายต่างๆเสร็จแล้วท่านก็ร้องให้เนี่ยนะถ้าตามมิลินท์ปัญหาบอกพระพระสุเทนเนี่ยร้องให้แล้วก็พระสุทินก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลแต่ว่าลูกกับพระริยาเนี่ยเป็นพระอรหรันต์เนี่ยนะตอนหลังลูกก็ออกบวชเป็นพระอรหันต์พระยาก็ออกบวชก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดแต่พระสุเทนเนี่ย คือมันเป็นมีแผลใจอยู่ตลอดเวลาเราเรียกว่าตําหนิตัวเองตลอดเวลาคือคือเป็นคนที่ทุ่มเทเต็มที่ใช่ไหมว่ามันพลาดได้ยังไงแล้วตอนนั้นก็ไม่มีสิกขาบทบัญญัติด้วยก็เลยไม่ได้บรรลุมรรคผลในดีกาพระวินัยจึงกล่าวว่าผู้ที่ไม่ได้บรรลุมรรคผลเพราะป่าประมิตรเขาก็ยกตัวอย่างว่าเนี่ยสุทินกลั่นทบุตรนี่คนหนึ่งละ่ะที่ไม่ได้บรรลุมรรคผลเพราะครอบผลผานนะครอบพบปา่าประมิตรคนนั้นก็คือใคร ก็คือแม่ป่าประมิรคือแม่ทําให้ไม่ได้บรรลุมรรคผลอันนี้อั น, นันที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือพระเจ้ า, าชาติศัตรูเนี่ยนะคบป่าประมิรคือพระเทวทัตก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลมันคนที่คบป่าประมิร ท, ทั้งหลายก็เสียหายทั้งปัจจุบันและสัมปรายภพเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นโทษของการครบป่าประมิทนี้พระองค์ก็เรียกว่าโมฆบุรุษที่จริงพระองค์เรียกโมฆบุรุษนั้น ผู้ใดตอนนั้นยังไม่มีการบรร ล, ลุมรรคผลพระองค์ก็เรียกผู้นั้นว่าโมฆะบุรุษเหมือนกันอย่างเช่นพระอุปเสนวังคันตบุตรพระอุปเสนวังคันตบุตรนั้นตอนที่ท่านบวชได้พรรษาแรกท่านก็เป็นอุปชาและมีลูกศิษย์เยอะอนะพาลูกศิษย์เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็กตําหนิว่าดูก่อนโมฆะบุตรฉันไหนเธอจึงเวียนมาเพื่อความเป็นผู้มรรคมากเล่านะพรรษาเดียวก็เป็นอุปชาเขาเลว ท่านก็เลยบอกว่าถูกตำหนิเพราะบริษัทจะต้องทําให้ได้รับคํายกย่องเพราะบริษัทเหมือนกันท่านก็เลยชวนลูกศิษย์ของท่านประพฤติปฏิบัติเป็นพผ้าหันกันหมดพระพุทธเจ้าก็ชื่นชมพระอุปเสศนแต่ตอนนั้นพระ อ, องค์ตอนแรกเนี่ยนะที่พาลูกศิษย์มาเยอะตอนนั้นที่บวชพรรษาเดียวเป็นอุปชาไปแล้วเนี่ยพอองศ์ก็เรียกว่าโมฆะบุรุษคือตอนนั้นท่านยังไม่ได้บรรลุมรรคผลคนที่ถูกเรียกว่าโมฆะบุรุษไม่ได้แปลว่าอนาคตจะต้องไม่บรรลุมรรคผลตลอดไป ในทุกกรณีนะไม่ใช่แต่กรณีพระสุทินเนี่ยใช่ชาตินั้นท่านไม่ได้บรรลุเพราะว่าท่านวิปปติสารตลอดทีนี้ถ้าตั้งคำถามว่าแล้วบุญกุศลคุณงามความดีที่ท่านประพฤติปฏิบัติฟังทำเนี่ยนะประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแป่ปีเป็นต้นสิ่งเหล่านั้นไปไหนก็เป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยที่จะให้บรรลุมรรคผลต่อไปในอนาคตคนที่มีอุปนิสัยพอจะได้บรรลุมรรคผลถ้าปฏิบัติผิดพลาดก็ไม่ได้ บรรลุเนี่ยนะก็ที่พรหมมาลาธนาพระพุทธเจ้า ว, ว่าขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมโปรดเวนยศาสตรเ์เถอะคนที่มีทุลีน้อยในจักสุมีอยู่เพราะเขาเหล่านั้นถ้าไม่ได้ฟังธรรมเขาก็จักเสื่อมทันถึงคนที่มีอุปนิสัยจะได้บรรลุมรคผลถ้าไม่มีการศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนยังไงก็ไม่ได้บรรลุมรคผลเพราะสคัญมากการฟังแล้วก็การ ปฏิบัติตามแต่พระสุทินเนี่ยเกือบจะได้บรรลุอยู่แล้วแต่ว่าแม้ไปเจอป่าประมิตรเข้าไปเนี่ยนะจบเลยจบเพเลยนะแต่ก็บุญกุศลคุณงามความดีในที่สุดก็ได้ยังไงท่านก็ได้ตรัสรู้ในอนาคตอ่ะนะในอนาคตเพราะว่าพระสุทินนั้นกรณีของท่านก็ไม่ได้ถือว่าเป็นประราชิกอะไรเพราะาท่านเป็นต้นบัญญัติเนี่ยนะไม่ถือว่าเป็นประราชิกสินี้คนอื่นๆน่ะที่เป็นประราชิกบรรลุได้ไหมบรรลุได้แต่ต้องไม่ใช่เพศพระภิกษุ อันนั้ต้องไปเป็นสมณนเนหรือว่าเป็นเครือข่าแล้วปฏิบัติก็สามารถบรรลุมรรคผลได้อย่างในกรณีอักคิขันธูปมาสัสสุที่เราฟังก่อนหน้านี้น ะ, ะก็มีผู้ที่เป็นปราชิกอยู่60รูปด้วยกันพอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบก็กระอักเลือดท่านเหล่านั้นแหละก็ศึกมาเป็นสมณเนปฏิบัติก็บรรลุเป็นท่านนาคามีกันเนี่ยนะก็มีการบรรลุได้ แต่ถ้ายังไม่ยอมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างอนุรักษ์นิยมประช่างมันมีใครรู้จากเราหรอกหรือเขารู้เขาทํทำอะไรเราได้ถ้ายังเป็นคนเน่าในเปียกแฉะทำตัวลักษณะนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่ปล้นชาวแ ว, นแวนน่นแควนนะเขาบอกว่าก้อนเหล็กต้นก้อนเหล็กแดงๆที่บริโภคยังดีกว่า ผู้ที่ไม่มีคนเครื่องความเป็นสัมนแล้วบริโภคปัจจัยสี่ของชนเหล่าอื่นเนี่ยนะเพราะว่านั่นเป็นประตูแห่งอบายทุกขติวินิบาตและก็นรกหลายแห่งก็บอกว่าคติสองโดยซ้ำไปคือนรกกับเดราชาแ น, น่ น, น, นอนอันนี้ก็โทษของการล่วงละเมิดพระวินัยเนี่ยนะทีนีพ้พระเจ้ามิลินเนี่ย ก, ก็ยังถือเอาประเด็นหลักว่าพระพุทธเจ้าพูดคำหยาบ พูดดูสิพูดคําว่าโมฆะบุรุษจนพระสุทินร้องให้เลยเธอว่าพระ อ, องค์ไม่มีวจีสุจริตได้ยังไงเนี่ยโปรมีคำหยาบเนี่ยก็เลยบอกพระคุณเจ้านากเกษตผู้ใดกล่าวคําด่าว่าเขาถึงจะด่าเรื่องจริงก็ตามข้าพเจ้าก็จะสั่งให้เขาเนี่ยปรับสินไหมเขาถือว่าผิดกฎหมายไม่งันนะถูกด่าใช่ไหมถูกดา่าด่าจริงก็ช่างเขาถือว่าผิดกฎหมายปรับสินไหมให้ลงทันลงโทษต่อผู้นั้น ข้อที่ตัวเขานั้นอาศัยเรื่องจริงเป่งโวหารดา่าแต่ละคําก็จัดว่าเป็นคนผิดะเลถึงจะด่าถูกต้องมันก็ถือว่าผิดเพราะดา่าเหมืนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าพเจ้านะเป็นกษัตริย์ใช่ไหมสั่งลงโทษเลยผิดกฎหมายสั่งปรับสั่งลงโทษเพราะอะไรเพราะไปดา่าถึงผิดก็จริงนะแ ต, แต่มีความผิดเพราะดา่าพระนาคเสียงก็ไม่น่าคือพอเจอในแง่นี้เข้าไปนะถ้าไม่ใช่พระนาเกษยตอบไม่ได้ เขามาเชื่อเลยถ้าไม่ใช่พระนากเกษมยากที่จะตอบเขาก็ใช่อ่ะเพราะคนด่าถึงจะด่าจริงก็กผิดกฎหมายอ่ะถูกปรับถูกฟ้องด้วยทําไงอ่พระนากเกษมก็ตอบว่าขอถวายพระพรมีบ้างไหมเรื่องที่พระองค์เคยทรงสดับมาว่าคนมีความผิดก็ควรได้รับการกราบการไหว้การลุกครับการทำสักการะบูชาหรือการมอบรางวัลให้คือท่านพูดสิ่งที่มันตรงกันข้ามซะส่วนเดียวเลย เคยได้ยินบ้างไหมว่าคนเลวคนชั่วเนี่ยนะไปมอบมอบดอกไม้ให้คนชั่วอ่างนั้นนะแต่ก็อาจจะสร้างภาพได้แต่ว่าไอ้ท้าโดยพฤติกรรมจริงๆอ่ะไม่สามารถทําได้แล้วก็ไม่มีใครเขาทาอย่างนั้นหรอกก็บอกไม่มีพระขุนเจ้าคนทําความผิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งย่อมเป็นผู้ควรจะด่าจะว่าควรจะกํำราบอาจจะต้องตัดศีรษะเขา ฆ่าเขาจองจําเขาเผาให้ตายบ้างอนะต้องตามความตามสมควรกับความผิดเหมือนกันพนาเกษตรก็อาศัยเหตุที่บอกว่าสมควรกับความผิดก็ตอบว่าถ้าอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ก, ก็ทรงทํากิจที่ควรทําแล้วไม่ใช่ทรงทํากิจที่ไม่ควรทําถูกต้องก็พระองค์ตําหนิคนที่ควรตํำหนิอ่ะก็แสดงว่าทําถูกต้องแล้วอ่ะพระเจ้ามิลินก็อาศัยเหตุผลมีข้อโต้แย้งมาอีกว่า พระคุณเจ้าพระตถาคตทรงธรำแม้สิ่งที่ควรทําก็น่าจะทรงทําโดยเหมาะโดยควรถูกต้องแม่น่าจะพูดให้มันถูกเวลาหน่อยนะว่างั้นพระคุณเจ้านากเกษตรเพราะอะไรเพราะชาวโลกพร้อมทั้งเทวดาย่อมเกรงกลัวย่อมละอายต่อพระตถาคตแม้โดยเพียงแต่ได้ยินเท่านั้น ได้เห็นก็ยิ่งกลัวได้เข้าเฝ้านั่งใกล้ก็ยิ่งกลัวกว่า น, นั้นถ้าถามว่าไปนั่งใกล้แล้วถูกด่าด้วยมันจะน่ากลัวขนาดไหนเนี่ยนะขนาดแค่ๆอะไรนะได้ยินก็กลัวแล้วถ้าได้เห็นก็กลัวเขเข้าไปใกล้ก็น่ากลัวอกีกเข้าเฝ้าก็น่ากลัวอกีกแมถ้าถูกคนที่น่ากลัวขนาดนั้นด่าจะขนาดไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะอะไรนะมันก็น่าจะพูดให้มันถูกกาลนะให้เหมาะให้ควรบ้างสิทําไมต้องกทําอย่างนี้ก็เทีวดาและมนุษย์เขาอยู่กันเท่าไหร่แต่ตนนั่นนะ ก็น่าคิดนะแหมใครที่เรื่องวัตถูเรื่องโมฆะบุตรท่ามกลางสภาใหญ่เนี่ยนะคนจํานวนหมื่นจํานวนแสนแล้วเราโมฆะบุตรมันจ้องกลับก็ทุกคนมองเราหมดเลยจะเด่นคนเด่นที่ที่น่าอับอายเนี่ยนะคนเด่นหน้าหนึ่งไม่เห็นโก้เลยอะไรพนาเกษตรก็ตอบว่าคนเราเนี่ยนะในเมื่อร่างกายเกิดมีโทษหรือเกิดมีโรคกําเริบขึ้นเนี่ยหมอเขาจะให้แต่ยาที่มันน่ากินเท่านั้นหรือ นะใครป่วยเป็นโรคอะไรมาก็มอบแต่น้ำพึ่งและน้ำาวานให้หมดเลยใช่ไหมหาไม่ได้พระขุณเจ้าหมอจะให้ยาแต่ล้วนแต่ขมขืนในะยาโบราณนี่มันทั้งขมด้วยทั้งขืนด้วยไอ้ขมนี่มันก็ขมหนักหนาแล้วขืนก็แทบเกลือนไม่ลงอหละก็เช่นมะเขือขืนนี่ก็แทบเกลือนไม่ค่อยลงไงนะคือบางอย่างเนี่ยบอกยาขมด้วยแล้วก็ขืนด้วยเพราะอื่น พ, พระอมเนี่ยนะจะเกลือนก็ยากนะแทบอยากจะขายเพระยาโบราณเนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ ขอถวายพระพรอุปมาชั้นใดอุปมาอกก็ชั้นนั้นเหมือนกันพระตถาคตก็ทรงมอบคำอนุสาเพื่อสงบความเจ็บป่วยคือกิเลสทั้งปวงขอถวายพระพรพระวาจาของพระตถาคตแม้ว่าจะหยาบก็กระทาศัตว์ทั้งหลายให้รักใคร่ได้ทำให้เป็นคนอ่อนโยนได้ถึงคำเหล่านั้นจะฟังดูหยาบนะแต่ก็ทำให้คนดีได้ก็แล้วกันนะ ขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าความร้อนย่อมทำบางสิ่งบางอย่างที่อาจหลอมเหลวให้หลอมเหลวได้ทำให้อ่อนตัวได้ฉันใด น, นะความร้อนใช้ถ้าไฟเนี่ยสามารถทำอะไรครั่องที่ครั้งที่มันแข็งให้อ่อนได้ทำเหล็กที่มันแข็งกระด้างให้อ่อนได้ทำทองที่แข็งให้อ่อนได้อาศัยความร้อนฉันใดพระวาจาของพระตถาคตแม้ว่าจะยาบก็ย่อมเป็นพระวาจาที่มีประโยชน์ เป็นไปพร้อมกับมหากรุณานะมีพระมหากรุณาเป็นสมุทฐานฉะ น, นั้นเหมือนกันเนี่ยนะถามว่าพ่อแม่ที่ที่มีสามัญยสํานึกในความเป็นพ่อเป็นแม่เต็มที่เลยเนี่ยนะเมื่อลูกไปทําความผิดมาก็บอกไม่เป็นไรลูกทําใจให้สบายเนีหนูนะนะพูดอย่างนี้ไหมซึ่งเพิ่งไปฆ่าคนตายมาลูกทําใจให้เย็นเย็นทำใจให้สบายๆเนี่หนูนะอย่างเงี้ยนะพ่อแม่ที่เป็นๆ น, น่อเขาพูดอย่างนี้ไหม ขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าคําพูดของบิดามารดานะนะ่ยนะย่อมเป็นคําพูดที่มีประโยชน์สําหรับบุตรทั้งหลายย่อมเป็นไปพร้อมกับกรุณาถึงด่าก็ด่าด้วยกรุณาบอกถ้าไม่ใช่ลูกเขาจะด่าใช่ไหมถ้าไม่ใช่ลูกเขาจะต่อว่าจะเคียนจะตีเป็นต้นใช่ไหมเขาไม่ทำหรอกคนอื่นเขาไปทําอย่างนั้นก็ไม่เห็นไปต่อว่าอะไรเขาใช่ไหมแต่เพราะลูกนี่แหละที่ต่อว่าด่าเจ็บปวดเป็นต้นก็เพราะอะไร เพรกรุณาเพราะใจรักมุ่งปลดเปลื่องความทุกข์แห่งลูกทั้งหลายขอถวายพระพรพระวาจาของพระตถาคตแม้ว่าหยาบก็ย่อมเป็นพระวาจาที่เป็นประโยชน์เป็นไปพร้อมกับพระมหาการุณาฉะนั้นเหมือนกันคําพูดเหล่านั้นเนี่ยนะที่มีกรุณาเป็นสมุทฐานที่ด้วยใจใ จ, ใจหวังดีปรารถนาดีต้องการให้ผู้ฟังพ้นทุกจริงเนี่ยนะ ปรารถนาจะให้เขาไม่มีความทุกข์จริงๆปรารถนาให้เขาประสบความสุขอย่างแท้จริงแล้วพูดคําเหล่านั้นออกไปคําพูดเหล่านั้นหยาบไหมถึงจะหยาบมันก็หยาบด้วยความจริงใจหยาบด้วยความหวังดีปรารถนาดีเป็นคําหยาบที่ต้องการให้ผู้ฟังพ้นทุกข์อ่ะขอถวายพระพรพระวาจาของพระตถาคตแม้ว่าจะเป็นเป็นคำหยาบเนี่ยนะคือคือหยาบโดยลักษณะแต่ไม่ใช่เป็นคําหยาบจริงๆ เป็นพระวาจาที่เป็นเหตุละกิเลสของสัตว์ทั้งหลายกนะอสัตว์ทั้งหลายละบาปอากุศลธรรมทั้งหลายได้ดับวัตทุกข์ได้กันแล้วกันขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าน้ํามูดโคเนี่ยนะแปลว่าอะไรนะมูดโคก็เยววัวเนี่ ย, วว น, ยนะแม้จะมีกลิ่นเหม็นที่สัตว์ได้ดื่มแล้วนะแล้วก็ยาแม้หารสชาติไม่ได้ที่สัตว์ได้กินแล้วย่อมกําจัดความเจ็บป่วยของสัตว์ทั้งหลายได้ฉันใด ขอถวายพระพรพระวาจาของพระตถาคตแม้ว่ายาบก็เป็นพระวาจาที่มีประโยชน์เป็นไปพร้อมกับพระมหากรุณาชันนั้นเหมือนกันอย่าถ้าไม่มีการอัดเม็ดถ้าไม่มีแคปซูลเนี่ยมันจะหวานไปทุกอันเลยใช่ไหมโอ้ยบางอย่างเนี่ยนะแหมอุตสาเคลือบเอาไว้แล้วเนี่ยนะแหมเห็นยนาะเคลือบเห็นหวานก็เลยอมไปเรื่อยเนี่ยในที่สุดแหมแทบคลายทิ้งเลยนะอุตสาหอมยาเคลือบใช่ไหม ย, ยาหวานเนะี่ยเราก็นึกว่ายาหวานขนานแท้ใช่ไหมก็อมไปเรื่อยเหมือนอมขนมนะ ในที่สุดแม้พอหมดไอที่เคลือบไปแล้วเนี่ยเรียกแทบจะได้กลิ่นยาชนิดนั้นเนี่ยแทบเลิกกันเลยแทบจะบอกเลิกเลยกั น, เ, นเพราะว่ายาทั้งหลายมันเป็นเช่นนั้นฉันใดพระวาจาของพระตถาคตเนี่ยนะแม้ว่าจะหยาบก็เป็นพระวาจาที่มีประโยชน์เป็นไปพร้อมกับพระมหากรุณาฉนั้นเหมือนกันขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่านุ่นแม้ว่าจะเป็นกองใหญ่ตก ถูกร่างกายของใครก็ไม่สร้างความเจ็บปวดคําว่านุ่นทีนี้ไม่ใช่นุ่นในกระสอบนะถ้านุ่นในกระสอบปานตกใจนี่ก็แอนแบนไปแหละแต่นี่หมายถึงว่านุ่นที่แบบไม่มีอะไระนะก็ธรรมดาโปรยนุ่นใส่ใครอ่ะนะมันก็ไม่ได้ทําความเจ็บปวดให้รอกฉันใดขอถวายพระพรพระวาจาของพระตถาคตแม้ว่าหยาบก็ไม่ทําความทุกข์ให้เกิดแก่ใครๆฉันนั้นพันวาจาเนี่ยคาพูดฟังเหมือนหยาบแต่จริงๆแล้วก็ เป็นเหมือนกับปุยนุ่นเท่านั้นเองเนี่ยนะไม่ได้สร้างความเจ็บปวดให้ใครอย่างแท้จริงอะไรพระเจ้ามิลินก็ยอมรับว่าพระคุณเจ้าหน้ากเกษตรท่านได้วินิจฉัยปัญหาดีแล้วด้วยเหตุผลเป็นอันมากสาธุพระคุณเจ้าหน้ากเกษตข้าพระเจ้ายอมรับคําพูดตามประการที่ท่านกล่าวมานี้เนี่ยนะก็ยอมรับเมื่อกี้ก็ยกปัญหาในพระวินัยปิฎกมาแสดงเนะี่ย